I'm yeah. good. เจอวันในก็ได้เมื่อไม่ถือไม่จกพออลไ ทองใจพอเรานั่งภาวนาเข้าไปขแรกงบจิตใจเข้าหาอใจเข้าหายใจออกขั้นแรกมันกคว่าเอาเอาการภานา มีความสบายตอเนี้ออกไปทั่วนขนาดนมีแต่ความรู้มันฟ้าผุวามเก็บค ว, วามงตัวก็หมดไปไม่มีอะไรโลกไม่ไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ขนาดจิตเดียวขนาดี่นี่ฟ้าผ ความสุขสบายในสมาธิจิตนั้นรวมลงสมาธิบางเรื่ เดินนั่งนอนไอ้ปกติกับกินบเป็นเพื่อนกัน เขาเพื่อจะทามากกว่าทตต า, ามหลักจาก Amel ทางกีนนั่นเรียกว่าไม่ ยังไม่แ ก, ก่ก็บารมีจะเป็นซาบารมีด้วยการบำเพ็ญทานดีชาวนา ทง่ายง่าย อยูย่ในนี้ อย่างไรต้องทำารีง Thank you บังสุขเวรตั้งจินมันจะขาดสุขเวรูปบงังนิดจังว่านิดจังว่าเห็นรูปนี่ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิดจังนา ความตั้งมั่นของจิตก็มั่นอยู่ในขณะนั้นไม่ได้ก็แฝ่ไปที่ไหนสติกอดะละรู้อยู่ในขณะนั้นรู้ตามคำขอาวคำที่ท่านแสดงไปก็เกิดความรู้ ขึ้นที่ไหนขึ้นคุนปวารี ตอนนี้กี่โมงคะออกตุรกีสิบนักที่ไม่ถึงสองน อุดรนี่เขาไมีรถแตดกอนมีตู้จะอุดอนเลยอ่ะอ่ขึ้นขึ้นจะอุดร เดือไม่ลดไม่ลดไปทางไหนจะดือกว่าไม่ลดใจทางไหนจะดือกว่ามี ท, ทาให้ลดเมืองล้อนไรยัง